บุษีต่าวัตถุเหตุแห่งความเกียดคร้าน8ปหนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทําเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทํางานเมื่อเราทํางานอยู่กายจับเมื่อยละอยากกระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุษธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้ง นี้เป็นกุศิตวัตถุประการที่หนึ่งสพิสุทํางานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทํางานแล้วเมื่อเราทํางานอยู่กายเมื่อยล้าแล้วอยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรละถึงนี้เป็นกุศิตวัตถุประการที่สองสามพิุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทาง เมื่อเราเดินทางอยู่กลายจักเมื่อยล้าอยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรละถึงนี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่ส 4. ภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเราเดินทางอยู่กลายเมื่อยล้าแล้วอยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรละถึง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 เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทาให้แจ้งนี้เป็นกุศิตวัตถุประการที่8 5. ดอารัมภวัตถุตถเหตุแห่งการปรารบความเพียร8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 เพื่อบรุษธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัมภวัตุประการที่หนึ่งสงภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อยากระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปรารบความเพียรและถึงนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่สองสภิกษุต้องเดินทางเพื่อมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางการที่เราเดินทางอยู่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่ทาได้ง่ายอยากกระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึง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 ไม่ได้โพชนะเศร้ามองหรือปราณีตรบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเรานั้นเบาควรแกการงานอยากระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปรารบความเพียรละถึงนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ห้า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 ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควร 7. ให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป 8. ให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต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 ผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดร่วมกับพวกขติยะมหาศาลพรามณ์มมหาศาลหรือขะบดีมหาศาลเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขานั้นน้อมไปในทางต่าเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้น ข้อนั้นแหลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโนปนิทานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้บริรสุทธิ์ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแกสมณะหรือพราม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 ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแหละเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลายมนโนปนิทานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบ แกสมณะหรือพรามเขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาได้สดับมาว่าพวกเทพชั้นดาวดึงและถึงสบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล์ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแกสมณะหรือพรามเขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาได้สดบมาว่า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 เขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขานั้นน้อมไปในทางต่ำเจริญได้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแหลเรากล่าวไว้สาหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลสาหรับผู้ปราศจากราคะไม่ใช่สาหรับผู้มีราคะท่านผู้มีอายุทั้งหลายมนโนปนิทานของท่านผู้มีศีลย่อมสาเร็จได้เพราะเป็นผู้ปราศจากราคะ บริษัทชุมนุม8 1. คตยะบริษัทชุมนุมกษัตริย์ 2. พรามณ์บริษัทชุมนุมพราหมสามข้าพดีบริษัทชุมนุมขหบดี 4. สมณะบริษัทชุมนุมสมณะ 5. จาตุมหาราชบริษัทชุมนุมเทพชั้นจาตุมหาราช 6. ดาวดึงสาบริษัทชุมนุมเทพชั้นเดวดึงเจ็ มารา บ, บริษัทชุมนุมเทพชั้นนิ ม, มานรดีแปดพรห ม, มบริษัทชุมนุมพรหมเก้าโลกธรรมแปดหนึ่งได้ลาบสองเสื่อมลาบสามได้ยศสี่เสื่อมยศห้านินทา 6กันเสริญ7สุข8ทุกขสิ0อภิพภาญตนะอิจตนะที่ยอดเยี่ยมด้วยกำลังฌาน8 1. บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดี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 มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สี่หบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มเปรียบเหมือนดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มชั้นใดหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราสี อันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบเลือของเขียวมีสีเขียวเข้มชั้นใดบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ชั้นนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบเลือของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ห้า 6. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มเปรียบเหมือนดอกกัญกาที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มชั้นใดหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพารณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มชั้นใด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 เปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มเปรียบเหมือนดอกชบาที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มชันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มชันใดบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในข้อันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดง มีสีแดงเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่7 8. บุคคลหนึ่งมีรูปประสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มเปรียบเหมือนดาวประกายพลึกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มฉันใด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 อภิพายตนะประการที่8 11. วิโมกความหลุดพ้น8 1. บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกประการที่หนึ่ง 2. บุคคลผู้มีอรูปปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกประการที่สอง 3. บุคคลเป็นผู้น้อมใจไปว่างามนี้เป็นวิโมกประการที่ส 4. บุคคลบรรลุอากาสาร น, นจยนายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปปสัญญาดับปฏิฆะสัญญา ไม่กำหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกประการที่ส 5. บุคคลล่วงอากาสาัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่นี้เป็นวิโมกประการที่ห 6. บุคคลล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรร ล, ลุอาคินจัญญาญาณะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่6 7. บุคคลล่วงอาคินจัญญาญาณะฌานโดยประการทั้งปวงบรร ล, ลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่เจ็ดบุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาวเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่8ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือทำมหมดละ8ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังขยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นและถึงเพื่อประโยชน์เพื่อเคืือกูล เพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด8จบสังคีติหมวด9ท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำหมวดละ9ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวากกันในธรรมนั้นและถึงเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมหมวดละ9ก้ประการคืออะไรคือ คาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต9 1. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 2. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 3. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราส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 แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 2. อ, อาคาตะปฏิวินยยะอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาคาต9 1. บุคคลย่อมกำจัดอาคาตว่า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 จะหาได้ในผู้น mm ี้แต่ที่ไหนเดบุคคลย่อมกาจัดอาคาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ <uh ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนแปดบุคคลย่อมกาจัดอาคาตว่าผู้นี้กาลังทาสิ่งที่เป็นประโยชน์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 จะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน 3. สัตว์ตาวาดพบเป็นที่อยู่ของสัตว์9 1. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวก และวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นสัตว์ตาวาทที่หนึ่งสงมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นโภมกายิกาเทพผู้นับหนึ่งในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานนี้เป็นสัตว์ตาวาทที่สองสมมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภัสระ นี้เป็นสตตวาที่ส 4. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภคินหะเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นสตาวาที่สี่หมีสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีสัญญาไม่สวยอารมณ์คือพวกเทพชั้นอสัญญีสัตพรมนี้เป็นสตตวาที่ห 6. มีสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุอากาศสาณัญยาตนะชาญโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานตัดสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นสัตตวาที่6 7. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากาศานัญจาตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญญาตนะชาญโดยกำหนดว่า วิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นสตตวาทที่7 8. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกําหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นสตตวาทที่8 9. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากินจัญญาญตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน นี้เป็นสตวาที่เก้าการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์9 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้แล้ว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 เพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ส 4. พระตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงอสุรกายนี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤ ต, ติพรหมจรรย์ข้อที่ส 5. พระตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งนี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัย เพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ห 6. พระตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในปัจจันตะชนบทอยู่ในพวกมีลักขะผู้ไม่รู้เดียงสาที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผ่านไปมานี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่6 7. พระตถาคตละถึง แต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมชิมะชนบทเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปะปะติกะสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ก็ไม่มีในโลกนี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่7 8. พระตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมชิมะชนบทเป็นคนมีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซอะไม่สามารถจะรู้เนื้อความแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตได้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 บรรลุอาการสานัญจายตนะชาญโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวง 6. ล่วงอาการสานัญญ า, นาตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจาตนะชาญโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ 7. ล่วงวิญญาณัญจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาัตนะชาโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่แปล่วงอากินจัญ ญ, ญาญตนะชาโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะชาอยู่เก้าล่วงเนวสัญญานาสัญญาัตนะชาโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียิทนิโรธอยู่หก อนุปพพานิโรธความดับไปตามลำดับ9ก้าการมสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานดับไป 2. วิตกวิจารของผู้เข้าทุติยฌานดับไป 3. ปีติของผู้เข้าตติยฌานดับไป 4. ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของผู้เข้าจตุตฌานดับไป 5. รูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญญายตนะฌานดับไป 6. อากาสานัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญญายตนะฌานดับไป 7. วิญญาณัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าอากินจัญญายตนะฌานดับไป 8. อากินจัญญาจตนะสัญญาของผู้เข้า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 ไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นและถึงเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวดเก้าจบ